เราจะไปฟิดอย่างนั้นไม่ได้เราต้องทำจิตให้สงบท่านอยากจะให้ใจมีกำลังแต่ถ้าหากว่าใจคิดปุ่ฟุ้งมากๆแปลว่าใจหมดกำลังใจว้าวีใจเงียบเหงาใจคิดออกไปนอกรูนอกทางผลที่สุดก็ใจหมดกำลังหมดกำลังใจเพ้อเพ้อ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 หนทางที่ถูกต้องคือพระพุทธเจ้าพาดําเนินมาที่ท่านแนะนําสั่งสอนพุทธบริษัทสคือาการทําจิตทําใจพดเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจทั้งหมดใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าท่านยกขึ้นมาทีแรกเลยว่ามโนปุพังก็ามาธรมามโนเสตามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นที่พวกเรามาฝึกหัดปฏิบัติในครั้งนี้ถ้าสรุปแบบครบรัดก็คือว่าเราม า, มาปฏิบัติเพื่อให้ดูใจตัวเองเพื่อทำสมาธิเพื่อให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 เหมือนกับเราปลูกต้นไม้จะทำยังไงจะให้ต้นไม้ได้รับผลดีที่สุดถูกต้องที่สุดเร็วที่สุดอันนี้เราก็ต้องบอกว่าต้องพยายามดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำพรวนดินรักษาวัชพืชเพิ่อจะให้ปกคลุมให้ถูกต้องตามหลักวิชาดูให้ดูแลให้สม่ำเสมอ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 อันนี้การดูแลจิตใจของเราก็ลักษณะนั่นเหมือนกันพยายามทำให้สม่ำเสมอดูแลอย่าให้ขาดแต่ละวันมีสติอยู่กับตัวเองอยู่โดยตลอดอริยบทยืนเดินนั่งนอนจากนั้นเขาทำฝึกเข้มเข้มข้นคือนั่งสมาธิได้ยี่สิบสามสิบนาทีแต่ละวันคือให้ทำให้สม่ำเสมอนี่แหละขนทางที่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 ม่ให้ใจของเราได้รับความเดือดร้อนบุนวายเพราะนั้นเรื่องสมาธิที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนให้พวกเราปฏิบัติไปนะพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองจิตใจของเราจะเข้มแข็งผลี่สุดอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นธรรมอะไรก็ได้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 ความถูกต้องแต่บางสิ่งบางอย่าง เ, าเราก็อ่อนรู้จักผ่อนปลนว่างันเถอะไม่แข็งจนเกินไปไม่อ่อนเกินไปสรุปแล้วก็คือใช้หลักมัต ส, สิมาความถูกต้องเป็นธรรมให้รู้จักใจเขารู้จักใจเราการอยู่ร่วมกันอย่าเอาแต่ใจเราอย่างเดียวไม่ได้จะเอาแต่ใจเขาตามแต่ใจเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้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 แข็งไม่อ่อนไปตามนั้นไม่อ่อนไปตามกิเลสว่างั้นแออถ้าเป็นธรรมแล้วตายเป็นตายเดินไปสายนั้นแต่ถึงยังไงก็ตามแต่ถ้าว่ามันจะเสียหายก็พร้อมที่จะยืดหยุ่นได้โดยความเป็นธรรมนี่แหละธรรมโดยมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้น พวกเราท่านทั้งหลายที่เขามาบวชในพุทธศาสนาในครั้งนี้พวกเราเขามาเห็นพระในพระพุทธศาสนาพวกเราก็คงจะคิดว่าพระคงจะเรื่องทะเลาะวิวาทกันคงจะไม่มีคงจะมีแต่ศีลธรรมพอพูดขึ้นมาการอยู่ร่วมกันคงจะมีแต่ศีลธรรมแต่บางครั้งมันมีเหมือนกันนะในครั้งพระพุทธเจ้าของเรา ขนาดพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ยังเป็นต้นศาสดาเป็นต้นศาสนาเป็นผู้บัญญัติพระพุทธศ า, าสนาเป็นผู้บัญญัติธรรมวินยัยขนาดขณ ะ, ะ, ะนั้นพระสงฆ์ยังทะเลาะกันได้เพราะฉะนั้นพระสงฆ์หรือพระเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพระเข้ามาแล้วจะหมดกิเลสไปทีเดียวไม่ใช่นะถ้าว่าไม่มีการชําระไม่มีการขัดเกล่ออ์ไม่มีการ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 เป็นเมืองหนึ่งมีพระคณาจารย์อยู่คณาจารย์ละห0 0รีพระสมัยนั้นเยอะนะคณาจารย์หนึ่งเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับธรรมะกระคึกคือวิธีการอบรมวิธีการเทศสนาว่าการแต่คณาจารย์หนึ่งเป็นพระวินัยทรสอนเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบ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 คือพระพุทธเจ้าคือสมัยนั้นห้องน้ำเนี่ยส้วมเนี่ยมันไม่เหมือนส้วมซึมอย่างทุกวันนี้มันเป็นส้วมส้มปล่อยมีไม้อยู่ข้างบนูงๆแล้วก็ขุดหลุมลงไปแล้วก็ถ่ายลงไปในหลุมเมื่อถ่ายเสร็จแล้วก็จะมีกระบอกน้ำกระบอกหนึ่งสำหรับเอาไว้ใช้ชำระ ความสะอาดของตนเองแต่ทีนี้น้ําในกระบอกนั่นอ่ะมันก็มีตุ่มน้ำํำมีขันน้ําหรือว่ามีเครื่องชาระว่างั้นมีกระบอกน้ํากระบอกหนึ่งจะเป็นขันน้ําก็ใช่จะว่าเป็นกระบอกก็ใช่เพื่อชาระล้างตอนนี้พระในครั้งนั้นในบางองค์น่ยพอเขาไปชําระล้างแล้วค้างไว้ค้างน้ําไว้ในกระบอก คือไม่คว่ำขันถือว่าเอาเอาขันค้างไว้เทใช้ไม่หมดพราะงั้นแต่องค์ที่เข้าไปทีหลังเนี่ยคนลังเกียดกิว่าเอ็นน้ำเนี่ยสกรปรกหรือเปล่าองค์ก่อนน่ะทำไมค้างน้าไว้อย่างนี้เออก็ทําให้มีปัญหาพระพุทธเจ้าพระสงค์ก็ตําหนิกันว่าน้ําที่ใช้องค์นั้นใช้ก่อนแล้วควรจะเททิ้งคว่ำขันเอาไว้ไม่น่าจะงายไม่น่าจะขังน้ําไว้ในกระบอก พระพุทธเจ้าก็บัญญัติขึ้นมาวินัยขึ้นมาเพราะว่าภิกษุใดก็าตามเข้าไปใช้ห้องน้ําแล้วเอาขันน้ําไปตักน้ําขึ้นมาใช้ถ้าใช้ไม่หมดให้ให้คว่ำขันอยากไปค้างน้ําไว้ในขันภิกษุใดค้างน้ําไว้ในขันปรับเอาปัตถุกดเพราะเป็นการให้ความลาคาญแก่ผู้อื่นให้คนอื่น เป็นพระสําหรับตนเองในการน้ําตัวนั้นจะสะอาดหรือไม่สะอาดเนี่ยพวินัยละเอียดถึงขนาดนั้นนะพระพุทธเจ้าบัญญัติถึงขนาดนั้นเหมือนขนาดน้ำํจำจาระตัวเองแท้ๆพระพุทธเจ้ายังบัญญัติพวินัยแต่นี้มีพระธรรมากระถือคือพระนักเทศเนี่ยท่านก็ไม่รู้ที่เป็นหัวหน้าท่านก็เดินเข้าไปไปใช้น้ําไปใช้ห้องน้ํา ใช้เสร็จแล้วท่านก็ล้างแล้วก็ขันยังขังน้ํำมาอยู่แล้วองค์ที่สองมาคือพระวินัยทรนพระวินัยทรคือท่านเคร่งทั้งวินัยเข้าไปในห้องน้ําก็ไปเห็นกระบอกน้ําค้างมาอยู่นี่แหละพระวินัยทรเข้าไปในห้องน้ํา ท่านก็ไปเห็นน้าค้างอยู่ในกระบอกน้าค้างอยู่ในขันท่านออกมาท่านก็เลยตำหนิบอกว่าท่านธรร ม, มะกตะถึกท่านรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยตัวนี้วินัยข้อนี้ห้ามน้ำค้างอยู่ในกระบอกพอวินัยพระธรร ม, มะกตะึกบอกว่าไม่รู้ผมไม่รู้เออถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นนามบัตรเพราะไม่รู้ แถ้ารู้แล้วทาเป็นอบัติแต่ไม่รู้ไม่เป็นนบัตเพราะอันนี้ไม่สิกขาบทนี้ถ้าไม่มีเจตนาไม่เป็นอบัตเพราะไม่รู้ถ้ารู้แล้วอย่างนี้ถ้าทาอีกต่อไปเป็นอบัต <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> พาวินัยพระธรรมมัถึดบอกว่าครับผมไม่รู้จริงๆครับท่านตอนนี้พอต่อมาพระวินัยทอก็อยากจะได้หน้าว่างั้นเะ ก็เลยไปบอกให้ลูกศิษย์เอ้ยพระธรรมาก็ถึกนะ่ยเป็นคณาจารย์สอนลูกศิษย์ตั้งสี่ห้าร้อองค์วินัยแค่นี้ก็ไม่รู้ตัวเองเป็นต้องถูกเป็นอาบัตทุกกฎขังน้ำไว้ในกระบอกเพียงแค่นั้นก็ไม่รู้แต่นี้ลูกศิษย์ก็ทางลูกศิษย์ของทำไอวินัยทรนนะี่ก็พูดกันละบาดเลยก็ไปเย้ยหยันทาง ทำรรมกระกเอ้ยอาจารย์ของแกนี่เซอมากโง่มากขณะตัวเองเป็นอาบัติก็ยังไม่รู้แต่ี้พวกลูกศิษย์ทำมกติรรกไปบูดพ่นอาจารย์ฟังอาจารย์บอกอ้าวพาะวินัยทรนะ่ะบอกกับเราว่าถ้าไม่มีเจตนาไม่รู้ไม่เป็นอบัติเราก็รับบอกว่าเราไม่รู้แต่บัดนี้ทําไมว่าเราเป็นอบัติแสดงว่าพระวินัยทอนเะนี่ย พูดสับประพูดโกหกเป็นอบัติปาจิตติเราเป็นอาบัตทุกขก์น้อยกว่าแต่พระวินัยทรนพูดโกหกเรียวกว่าเป็นเรียวกว่าไม่เป็นเป็นอบัติปาจิตติหนักกว่าเราอีกเทีฝ่ายลูกศิษย์ก็เลยบอกว่าพร่อวินัยทรเป็นอบัตปาจิตติพราะพูดโกหกทีนี้แหละพระสองขณาจารย์เนี่ยทะเลาะกันเลยท้เลยนี่แหละ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 ใครจะมีวาท ะ, ะหักล่างกันเก่งกว่ากันเขาทำนองที่คนในชาติทะเลาะกันคนในชาติทะเลาะกันไม่มีใครเสียหายแต่ชาติเสียหายอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันพระสงฆ์ไม่เสียหายแต่พระศาะสนาศาสนาของพระพุทธเจ้า ที่ท่านปร ะ, ประกาศไปดีแล้วเนะ่ะเสียหายแต่พระสงฆ์ไม่มีใครรู้ร อ, ออกไปแล้วแต่พระศาสนาในี่เสียหายนี่อันนี้ท่านไม่ได้คิดนะจากนั้นพระพุทธเจ้าถ้าพวกท่านทั้งหลายไม่เชื่อฟังเราเราจะหนีออกจากวัดเมืองโกสัมพีไปองเดียวนะไม่เอาพระอานนท์ไปด้วยท่านก็ออกไป เดินออกไปในนั้นเลยจะไปจำพรรษาข้างนอกเลยปีนั้นพอไปท่านก็ไปเจอกับพระอนุรุท ธ, ธะกิมพริวคัคคุพัทธิยะคือเป็นเชื้อพระวง์ของพระพทุทธเจ้าท่านอยู่อีกเมืองหนึ่งเมืองเล็กๆในชนบทว่างั้นทพระพุทธองค์กแวะเข้าไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปแสดงธรรมไอ้ขว่า ไปสมโมนิยกถาเป็นคิดถึงเครื่องรื่นเริงซึ่งกันและการพพร ะ, พะเหล่านั้นก็นท่านก็เป็นพระอรหันต์หมดแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ไปพักหจากนั้นท่านก็พูดท่านก็แสดงธรรมให้ฟังนะแสดงธรรมในวันนั้นท่านแสดงเรื่องความแตกแยกสามัคคีการแตกแยกสามัคคีกันไม่เป็นผลดีการ พระพยาบาทอาฆาตจองเวีกันก็ไม่เป็นผลดีเลยเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็เลยยกเป็นชาดกขึ้นมาท่านบอกว่าความแตกแยกสมรคีกันการชิงดีชิงเดนกันไม่เป็นผลดีสําหรับหมู่คณะของเราวงการของเราหรือว่าอยู่ในกลุ่มใดก็ตามถ้าว่ามีความแตกแยกสมรคีกันไม่เป็นผลดีถ้ามีความพร้อมเพียงสมรคีกันแล้ว เป็นผลดีมีแต่ความร่มเย็นผาสุขท่านก็เลยเล่านิทานเล่าในอดีตชาติท่านยกนิทานเป็นชาดกขึ้นมาในอดีตชาติมีนกกระจาบอยู่ฝูงหนึ่งมีนกกระจาบฝูงใหญ่อยู่ฝูงหนึ่งไปหากินในท้องนาทุ่งนาเวลาลงไปก็ลงไปพร้อมกันเวลาขึ้นบินขึ้นก็ บ, บินขึ้นพร้อมกัน นายพลเขาเห็นว่านกกระจาบฝูงนี่มันเยอะเขาเลยไปเอาตาขายเอาไปดักดักนกกระจาบฝูงนี้ว่างั้นได้พอนกกระจาบลงไปกินเขาไปชักตาขายเพื่อจะจับนกกระจาบนกกระจาบฝูงนั้นมีหัวหน้าอยู่ตัวเดียว หัวหน้าก็เลยสั่งลูกน้องพร้อมกันเลยบอกวพวกเราบินคือมันขึ้นพร้อมกันตาข่ายของนายพานขึ้นไปอยู่บนยอดไม้แล้รว่างั้นเพราะกำลังมันมันพร้อมมันเพียงพอนกกระจาฝูงใหญ่พอต่อมานกกระจาฝูงนั้นมันแตกกันบาดแย่งกันเป็นใหญ่เป็นสองหัวหน้าไม่ลงรอยกันเวลาหัวหน้า หก็แสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งหัวนหน้าข้างหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งพอต่อมานกกระจาบฝูงนั้นลงไปกินในท้องนาทุ่งนาทุ่งหญ้ า, ากว้างอย่างเก่านั่นพอจากนั้นนายพรานก็เอาตาข่ายไปดักเพราะนายนพรานเนี่ยดักตาข่ายเนี่เสียตาข่ายไปหลายครั้งแล้วงั้นเแต่จับไม่ได้แต่เขาเนี่นก็เป็นดักอีกพอไปจับแต่นกกระจาบมันแตกกันเป็นสองฝูงมานเละ พอนายพานชักตาข่ายปุ๊บมันก็ค่อมนกทั้งฝูงเหมือนกันเต่นนี้นกฝูงหนึ่งมันแตกคำวคีกันบอกว่าพวกฝูงใหญ่ก็เอา้าพวกเราบินบินขึ้นไปมันก็บินไม่ได้เพราะว่าฝูงฝูงหนึ่งไม่ช่วยอพอฝูงหนึ่งบินหมดกําลังแล้ฝูงนี้ว่าอ้าฝูงนั้นไม่ได้เลือกเอาพวกเราบินบินก็ขอขึ้นมันก็ไม่ขึ้นอีก เพราะว่ามันแตกเป็นสองฝูงมันกำลังไม่พอกำลังนกทางหลายกำลังถกเถียงกันอยู่พอดีพอดีกับนายพรานมาถึงผ่านตาข่ายมาถึงผ่านนกมาถึงเขาก็ลวกตาข่ายเข้าใส่กันแล้วก็นกฝูงนั่นก็อยู่ในตาข่ายทั้งหมดเพราะงั้นผลที่ฉุด น, า, น า, ายพานตาไข่พานกก็เลยไปจัดการใชเอาทอดใส่กระทะนะเกี้ยงทั้งฝูงว่างั้น น, นี่แหละความแตกสามัคคีกันจิบหายพระพุทธเจ้าท่านเทศนาให้แก่กลุ่มพระอนุรุทะที่อยู่ด้วยกันสามสี่ห้าองค์จากนั้นท่านก็พูดอีกว่าตัดอีกว่า การจองเวรกันก็ไม่เป็นผลดีสมัยหนึ่งมีหมีตัวหนึ่งอยู่ในป่าหากินอยู่ในป่าวันหนึ่งหมีตัวนั้นไปนอนอยู่ที่โครนต้นไม้สะโอเอัคือเป็นไม้ชนิดหนึ่งพอไปนอนกำลังเคลิ้มๆจะหลับ กิ่งไม้คอเนะ่ยกิ่งไม้สะคอเนะ่ยกิ่งแห้งนะ่ะมันเลยหลุดมันหักไปเงี้ยหล่นลงมาถูกหัวหมีหมีตอนนั้นก็โกรธโมโ ห, โหให้ต้นสะคอบอกเอาเถอะมันกิ่งไม้ทําไมหล่นใส่หัวเราถ้าว่าเรามีโอกาสเราจะต้องค้นไม้คอไม้สะคอตัว น, นี้แน่นอนเพราะหมีมันโกรธไปเงั้ยหมีก็เลยหนีไปนอน อีกที่อื่นในวันนั้นมีนายช่างในช่า ง, งที่จะทำที่จะทํารถว่างั้นจ้ะช่างที่จะทํารถเดินเข้าไปในป่าเพื่อจะไปหาแอกรถมาทำํำใช้รถของตอนเองเขาก็เดินเดินเข้าไปในป่าพร้อมกับทัพพสมประระมีขวานมี เลือยมีสเสบียงอาหารไปเพื่อจะไปเอาถาไม้เพื่อจะทําเป็นแอกรถงอนรถอะนะที่เดินไปหมีก็เห็นเห็นคนเข้ามาก็เลยพูดเป็นภาษาคนขึ้นมาเนีบอกว่าท่านมาอะไรบอกว่ามาต้องการไม้จะทําเป็นแอกรถงอนรถหมีก็เลยพูดว่าไม้อยู่ในป่านี่ ไม้สะคอเนี่ยเป็นไม้ที่เนื้อแข็งที่สุดคงทนที่สุดถ้าว่าท่านจะเอาไปทํางอนรถนั้นไม้สะคอเนี่แหละเป็นไม้เนื้อแข็งนั่นแหะต้นนั้นน่ะอะทําเป็นแอกเป็นงอนรถได้คนก็น เ, เห็นว่ามีพูดภาษาคนได้คนก็เลยดิ่งไปหาต้นไม้ตัว น, นั้นก็เลยไป เตรียมที่จะตัดโคนต้นไม้ลงทีนี้ลูกค่ะเทวดาอยู่ที่โคนอยู่ที่ต้นไม้สะคอตัว น, นั้นก็บอกเอ๊หมีเนี่ยทําไมยังมาบอกให้มาตัดบ้านของเราธรรมดาไม้กิ่งไม้ถ้าไม่หล่นลงดินมันจะหล่นไปที่ไหนอันนี้หมีมันมานอนก็ธรรมดากิ่งไม้มันก็ต้องหล่นลงดินในเมื่อไปถูกหัวหมีแล้วหมีจะมาผูกอาคารอย่างนี้มันไม่ถูกนะ อันนี้มันมีผูกอาคาดให้ช่างงอนรถมาตัดบ้านของเราเอาถ้าถ่าข้ามีโอกาสข้าจะต้องจัดการหมีตัวนี้ให้ได้ลูกขาดเทวดาก็จองเวรอีกว่างั้นผลที่สุดเขาก็ไปโค่นไม้ตัวนั้นลงพอทากไม้จวนจะเสร็จงั้นนตะกำลังเป็นรูปเป็นร่าง ที่จะทําเป็นงอนรถลุก ข, ขะเท ว, วดาเนี่ก็เลยนิมิตเป็นคนมานไปบอกกับช่างบอกว่าช่างท่านมาทําอะไรบอกว่าทําแอกรถงอนรถเพื่อจะเอาไปใส่ในรถขับไปเจา้าท่านอยากจะให้งอนแอกรถของท่านสวยไหมอยากจะให้สวยถ้าจะให้สวยนะเนี่ยเอาหนังหมีเนาะหุ้ม งอนรถของท่านเนี่ยจะสวยงามมากดำมืดมุมเลยว่างั้นเอาหนังหมีหุ้มเลยเอา้าจะหาได้ที่ไหนหนังหมีเลยเอา้าเนี่ยเนี่ยมัน น, มนอนอยู่นั่นน่ะไปย่องย่องไปเอาขวานจับหัวมาเลยเดี๋ยวนั่นก็ลอกออนหนังมันมาหุ้มงอนรถก็ได้แต่เนี่ยช่างงอนรถเออจริงว่ากันจากนั้นก็เดินไปหมีพอบอกว่าให้คนตัดไม้นะ่ะก็ สบาย อ, อกสบายใจว่าพอได้แก้แค้นแล้วว่าไม้ตกหล่นใส่หัวตัวเองเอเอนอนแบบสบายใจว่างั้นแต่ที่ไหนได้ช่างคนนั้นก็เดินย่องไปก็ขวานสับหัวหมีเลยจากนั้นก็ลอกหนังหมีแล้วก็เอาใส่งอนรถเข้าไปในบ้านว่างั้นแนี่แหละชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การผูกพยาบาทอาฆาตจองเวียิจบหายทั้งสองทางเพราะนั้นอย่าไปผูกพยาบาทอาฆาตกันให้อภัยกันดีที่สุดนิดๆน้นอยๆให้อภัยกันแต่ถ้าว่าจองร่างจองเวีนกันจองร่างจองผานกันกิบหายทั้งสองฝ่ายความแตกแยกสมคีกันกีบหายทั้งกลุ่มอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ แต่บางคนบางท่านก็เอา้าทำไมหมีพูดได้อันนี้เราอย่าไปคิดคือเราพูดเอาสาระขึ้นมาเนื้อหาสาระาการแตกแยกสัมกาคีการการพยาบาทอง อ, อาฆาตจองเวนกันมันจิบหาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านปรัดเอาไว้จากนั้นพระพระพุทธเจ้า อ, ออกจากเสด็จจากที่นั่นไปท่านก็ไปจำพรรษา อยู่ที่ป่าเลไลที่พวกเราเห็นช้างกับลิงปฏิบัติพระพุทธเจ้านั่นแหละปีนั้นพนะระพุทธเจ้าจำพรรษาพระองค์เดียวมีช้างกับลิงเป็นผู้ปฏิบัติตรอดไตรามาสสามเดือนขนาดนั้นเป็นาศาสดาต้นาศาสนาถ้าเห็นลูกศิษย์ลูกหาทะเลาะกันเนีท่านหนักใจถึงขนาดนั้นแหละท่านไม่ใช่สบายใจนะที่เป็นหัวหน้าพ่อแม่ก็เหมือนกัน ถ้าหาว่ดลูกมาอยู่ในโอวาตพ่อแม่ก็นหนักใจอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านหนักใจนะั่นแะเพราะนั้นพวกเราที่เป็นลูกทั้งหลายที่มีพ่อมีแม่มีวงศาคณญาติจะทาสิ่งใดต้องคิดให้รอบคอบอย่าไปเอาแต่ใจตัวเองถ้าเป็นเอาแต่ใจตัวเองอย่างว่านะ่นแะความผิบหายวายปวงก็จะเกิดขึ้นพ่อแม่ก็เป็นทุกข์อกทุกข์ใจกับเราเพราะนั้นอย่าให้ท่าน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 เพะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องยืดหยุ่นในการเป็นอยู่ในการดำรงชีพของเราเพราะนั้นพวกเราเป็นชาวพุทธนะพุท ธ, ธะแปลว่าผู้รู้เป็นผู้ฉลาดต้องใช้ความรู้ต้องใช้ความฉลาดเป็นเครื่องปรับปรุงแก้ไขตัวเองชีวิตของเราก็จะราบรื่นเรียบร้อยดีงามไม่มีอุปสรรคใดๆ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 หนีให้พ้นอย่างหมาไล่กัดอย่ก็วิ่งขึ้นบันไดสองสามขั้นหมาก็ขึ้นไม่ถึงถ้านหนีช้างก็ขึ้นต้นไม้หลบเข้าไปในถ้ำหนีสัตว์้ายหนีพ้นแต่หนีคนพานะให้หนีจนสุดฟ้าเขาเขียวถ้าคนพาละชนะให้หนีให้ไกลอย่าไปคล้องแวะ อย่าไปสนทนาด้วยอย่าไปพูดด้วยพยายามหนีให้หา่างให้ห่างไกลอย่าไปคบค้าสมาคมถึงจะอยู่ใกล้ก็ทําทใจให้หา่างให้อยู่คนละจักรวาลเหมือนนั่นแหละนี่แหละหนีคนพลานี่ภารชนให้หนีไกลเหมือนกับหนีความชั่วในใจของเราเนี่ยนะความชั่วในใจของเราก็พยายามหนีให้หา่างสิ่งไหนที่เป็นความชั่วเราย่าไปคิดทําเอทํามันจะคิดกินเหล้าเมาย sí, าสุรานารี สิ่งไหนที่มันออกนอกลูออกทางพยายามหนีให้ห่างกิเลสตัวนั้นอันนั้นคือพานเป็นภาระชนนะตัวนั้นจะทำให้เราจิบหายเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะอ น, อนาคตยังไกลอายลอนาคตยังไกลที่พวกเราจะได้จะต้องต่อสู้ไปอีกนมนานถ้าเราทำตัวไม่ดีและอนาคตมืดบอดแน่นอนแต่ถ้าว่าเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้า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 คนละอย่างกันและต่อมากขาเพูดเกี่ยวกับการเป็นอยู่การวางตัวการมีในอยู่ในเพื่อนมนุษย์ชาติความมีการอยู่ด้วยกันด้วยความพร้อมเพียงสา ม, มคัคคีถ้าผสง์อยู่ด้วยการพร้อมด้วยความพร้อมพร้อมเพียงสา ม, มคัคคีท่านก็บอสังฆะสังฆะโสภนาความพร้อมเพียงของสงฆ์เกิดสุข ถ้าเราเป็นคราวาสก็เช่นเดียวกันแตเรามีความพร้อมเพียงสมัครีในหมู่ในคณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวของเราในวงศาคณะญาติของเราครอบครัวของเราวงศาคณะญาติของเราก็จะได้รับความร่มเย็นผาสุขเพราะมีความพร้อมเพียงสมคัครีเอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจท่านมาใจใจเราใจเรามาใส่ใจท่านามีความอด อ, อ่อนน้อมถ่อมนตนรู้จัก การปรับปรุงแก้ไขการะเทศะบุคคลพวกเราก็จะได้รับความลมเย็นผาสุขตลอดไปนะต่อ น, นี้ไปก็ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาสักกันหนึ่ง